بسم الله الرحمن الرحيم تسجيلات ابن خطاب الإسلامية بالدمام تواصل معك أخي الكريم المصحف الشريف للأخ سعد الغامد الشريط العاشر ويحتوي على سور الحج المؤمنون النور والفرقان نئنم بود الحج <ت> ب <ص> و <في> الحج <ق> بن بود منانياه มีเจ็ดสิบแปดองค์การโดยกล่าวถึงด้านต่างๆของการตราพระบัญญัติเช่นเดียวกับบทมาดานิยะอื่นๆซึ่งให้ความสนใจทางด้านนี้ทั้งๆที่บทนี้เป็นบทมาดานิยะแต่ถ้าว่าบรรยากาศของบทมักเกียได้เข้าครอบงำอยู่มิใช่น้อยยังมีเรื่องการศรัทธาการให้ความเป็นเอกภาพการตักเตือนการฟื้นคืนชีพการตอบแทนและสภาพของวันเกียยมา ตลอดจนเหตุการณ์ที่น่าตื่นเต้นในวันนั้นยังเป็นภาพที่เด่นชัดในบทนี้จนกระทั่งผู้อ่านเกือบจะวาดมโนภาพว่าเป็นบทมะเกียนอกเหนือไปจากนั้นก็เป็นเรื่องของการตราพระบัญญัติต่างๆเช่นอนุ ญ, ญาตให้มีการสู้รบกฎเกณฑ์ต่างๆของการทําหัจและการทําฮัจการเชื้อสัตว์พลีซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของบทมาดานียะ จงกระทังนักวิชาการบางท่านถือว่าเป็นบททั้งสองประเภทคือเป็นทั้งมาดานิยาและมักเกียบทนี้ได้เริ่มอารามบทด้วยเหตุการณ์ต่างๆที่รุนแรงที่น่าสะพรึงกลัวทําให้จิตใจสั่นสะเทือนอกสั่นขวัญหายนั่นก็คือสภาพของแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงซึ่งจะเกิดขึ้นในวันอวาสานของโลกความหวาดกลัวจัตเวียิ่งขึ้นในความนึกคิดของมนุษย์ มันไม่ใช่เป็นเพียงการพังทลายของตึกรามบ้านช่องเท่านั้นหากแต่ความกลาหนในวันนั้นยังทำให้แม่ตกตะลึงลืมให้นมแก่ลูกของนางหญิงที่ตั้งครรภก็จะคลอดลูกของนางออกมาก่อนกำหนดมนุษย์ไม่สามารถทรงตัวอยู่ได้โดยมีสภาพเหมือนคนเมาทั้งๆ ท, ที่เขาไม่ได้ดื่มสุรา ห, หรือของมึนเมาใดเลยแต่ถว่ามันเป็นสภาพที่น่าสะพรึงกลัว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 ทั้งนี้เป็นการชี้แจงถึงแนวทางของอัลลอ์ในการประกาศเผยแพร่และให้ความอบอุ่นใจกับบรรดามุสลิมถึงบั้นปลายที่ผู้อดทนทั้งหลายจะได้รับในตอนสุดท้ายของบทได้ยกอุทาหรณ์ในการเคารพสการะรูปปั้นเวตของพวกปฏิเสธศรัทธาโดยชี้แจงว่าสิ่งที่ถูกสการะหรือพวกจเจวิตเหล่านั้นไม่มีความสามารถ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 ว, ว่าจะดิพมลพทระันสุระว่าสุกรว่ามันสการะาตตมสุกะ่านกรวมันกาามนะว่านวมันสุกา่มนะว่นกาะามัุกะมนสะ่มันกาะ่มนา่มนสก่มัุก่นานมะมกาะ่าลัก่มนส่มัก่นกา่นกาันมกะก่น และหญิงตั้งคันทุกคนจะคลอดลูกที่อยู่ในคันของนางออกมาและเจ้าเจนมนุษย์ในสภาพมึนเมาทั้งๆ ท, ท, ที่พวกเขาม่ได้เมาแต่ทว่าการลงโทษของลอน้นรุนแรงยิ่งนะักและในหมู่มนุษย์นั้น บางคนจะโต้เถียงในเรื่องของอัลลอ์โดยปราศจากความรู้และเขาจะปฏิบัติตามชัยตอนทุกตัวที่ดื้อรั้นได้มีกำหนดไว้ว่าแท้จริงผู้ใดยึดมั่น ชัยตอนเป็นมิจฉายแล้วแน่นอนมันจะทำให้เขาหลงทางและนำไปสู่การลงโทษที่มีเปลวไฟลุกโชน ثم من علقة ثم من علقة ثم من م ض غ ة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى نخرجكم طفلا ثم لتبلغ أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أضل ل ع م ر لكي لا لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وتر الأرض هامدة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 เขาจะเอี่ยวตัวเขาไปอย่างยะโสเพื่อให้ผู้คนหลงจากทางของลอสำหรับเขาจะได้รับความอัปยศในโลกนี้และเราจะให้เขาลิมรถกาลงโทษที่มีไฟลุกไหม ในวันนปลก ل ل ั่นเพราะว่ามือทั้งสองของเจ้าได้ทำไวและแท้จริงอัลลอ์นั้นจะไม่ทรงอธรรมต่อปวงเบา และในหมู่มนุษย์นั้นบางคนจะเคารพพักดีต่ออัลลอฮ์บนขอบทางของาศาสนาหากความดีประสบแก่เขาเขาก็พออกพอใจต่อสิ่งนั้น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 ซึ่งมันไม่ให้โทษและก็ไม่้คุณแก่เขานั่นเป็นการหลงผิดที่ไกลลิบเขาวิงวอนต่อผู้ที่โทษของมันจะมีขึ้นเร็วกว่าคุณประโยชน์ของมันแน่นอนมันเป็นการลงโทษที่ชั่วช้าแ ท, แท้และมันเป็นสหายที่ชั่วช้าจริงๆ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا اللَّهَ الصَّالِحَاتِ جَنَّاتِ جَنَّاتٍ تَحْتِهَا يُدْخِلُ وَعَمِلُ الْأَنْهَارِ اللَّهَ تَجْرِي يَفْعَلُ ي د مِن مَا แท้จริงเราส่งให้บรรดาผู้ศรัทธาและผู้กระทำความดีทั้งหลาย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 ผู้ดใดที่คิดว่าอัลลอฮจะไม่ส่งช่วยเหลือเขามัวหมัดทั้งในโลกนี้และโลกหน้าก็จงให้เขาผู้นั้นต่อเชือกขึ้นสู่ท้องฟ้าและเขาตัดมันออกคือผูกคอตายแล้วให้เขาเฝ้าดูว่าแผนการของเขาจะทำให้สิ่งที่เขาเคียดแค้นหมดไปไหม และเช่นนั้นแหละเราได้ประธานอัลกุราน ล, ลงมาเป็นองการองการที่ชัดแจ้งและแท้จริงอัลลอฮ์นั้นทรงให้ทางนำแก่ผู้ที่พง ส่งประสรงอินั้ลทีนอัมโนและที่นัฮดอแัพท์อินและนซซระแลมัจูสแลมัจูสและทีนัอชร์กูอินนัลละหะเฟซล์เบนอุมยูมัลกิยามะอินนัลละลลลชอินชฮด บรรดาผู้ศรัทธาและบรรดาชาวยิวและพวกกราบไหว้ดวงดาวและชาวคริสต์และพวกบูชาไฟและบรรดาผู้ตั้งพาขีแท้จริงอัลละ์จะทรงตัดสินระหว่างพวกเขาในวันระโรโลกแท้จริงอัลละ์นั้นจะทรงเป็นพยานแก่ทุกสิ่ง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 ต่างก็กราบนอบน้อมต่อพรุมงแต่ส่วนมากการลงโทษจะเหมาะสมคู่ควรแก่เขาและผู้ใดที่เอาลอทรงทำให้อับประยชน์ก็จะไม่มีผู้ใดให้เกียรติเขาแท้จริงอัลลอ์นั้นทรงกระทำสิ่งที่พระองค์ทรงประสงาาบบลลค์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 ครั้งที่พวกเขาต้องการจะออกไปจากนารกเนื่องจากความทุกข์ยากพวกเขาก็ถูกนำกลับไปในนั้นอีกมีเสียงกล่าวแก่พวกเขาว่าพวกเจ้าจงลิมรสการลงโทษที่มีไฟเผาเถิดอินนัลลอฮฺยุดฮิลุลเลดีน่าอัมานุวะามิลุลสาลิฮะตีจันนัตจันนัตตีจเรม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 และเสื้อผ้าของพวกเขาที่สวมใส่ในนั้นก็เป็นผ้าใหม่และพวกเขาจะถูกนำสู่คำพูดที่ดีมีประโยชน์และจะถูกนำสู่ทางที่รับการสันเสริญคือสวนสวรรค์ إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم ندقه من عذاب أليم ถ้าจริงบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาและขัดขวางทางขอร้อง Allah, และมัสยิดอลัลฮะรอซึ่งเราได้สร้างมันไว้สำหรับมนุษย์อย่างเท่าเทียมกันทั้งผู้ที่พำนักอยู่ในนั้นและที่มาจากภายนอกและผู้ใดปรารถนาที่จะออกนอกทางด้วยความอาธรรมเราก็จะให้เขาได้รับการลิมรดการลงโทษอย่างเจ็บปด ว, บ ว, วานานด อและจงดำลึกถึงเมื่อเราได้ชี้แนะสถานอัลไบคืออัลกบับะแกอิบราฮิมว่าเจ้าอย่าตั้งพาคีใดๆต่อข้าเลย และจงทำบ้านของข้าให้สะอาดสำหรับผู้มาเวียนรอบผู้ยืนละหมาดผู้ดุกัวและผู้สุยูดผู้ปฏิบัติละหมาดและจงประกาศแก่มนุษย์ทั่วไปเพื่อการทำหัต และพวกเขาจะมาหาเจ้าโดยทางเท้าและโดยทางอูดทุกตัวจะมาจากทางไกลทุกสารทิศ เพื่อพวกเขาจะได้เข้าร่วมเป็นพยานในผลประโยชน์ของพวกเขาและกล่าวพระนามของอัลลอ์ในวันที่เป็นที่รู้กันดีอยู่คือวันเชือ่อตามที่พระองค์ทรงประทานปัจจัยยังชีพแก่พวกเขาจากสัตว์สี่เท้า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 มันก็เป็นการดีแก่เขาหน้าที่พระผู้อวิบาลของเขาและปัสสุสัตทั้งหลายได้เป็นที่อนุมัติแก่พวกเจ้าเว้นแต่บางสิ่งที่ถูกบอกกล่าวไว้แก่พวกเจ้าดังนั้นพวกเจ้าจงเปลีกตัวออกจากความโสมมซึ่งหมายถึงเจเวิตทั้งหลายและจงออกห่างจากการกล่าวคำเถิด َمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّاهِ فَكَأَنَّمَا โดยเป็นผู้ยึดมั่นความจริงเพื่อหล่ ه ไม่เป็นผู้ตั้งพากีใดๆต่อปรุง แล้วผู้ใดตั้งพาคีต่อลอดเสมือนว่าเหมือนว่าเขาร่วงลงมาจากฟากฟ้าแล้วนกก็บินเฉียวเอาเข้าไปหรือลมได้พัดพาเข้าไปยังดินแดนอันไกลโพน <S <S ฉะนั้นผู้ใดที่เกียรติแก่พระบัญญัติแก่อัลลอฮ์ แท้จริงมันเป็นส่วนหนึ่งแห่งการยำเกรงของจิตใจในประสุสัตว์เหล่านั้นมีคุณประโยชน์มากหลายสำหรับพวกเจ้าจนถึงเวลาที่กำหนดไว้และสถานที่เชืออของมันคือบริเวณบ้านอันเก่าแก่ َلِكُلِّ جَعَلْنَا سَكَلْ لِيَذْكُرُ اللَّهِ عَلَى لي الْأَنْعَامِ فَإِلَاهُكُمْ إِلَاهُ فَلَهُ أَسْلِمُوا أُمَّتٍ مَنْ اسْمَ مَا رَزَقَهُمْ مِّنْ بَهِيمَةِ وَبَشِّرِ وَاحِدٌ และสำหรับทุกๆประชาชาติ เราได้กำหนดสถานที่ทำพิธีกรรมเพื่อพวกเขาจะได้กล่าวพระนามของอัลลอ์ต่อสิ่งที่พระองค์ได้ประทานให้เป็นปัจจัยอย่างชีพแก่พวกเขาคือสัตว์สี่เท้าเช่นอูฐวัวแพะแกะฉะนั้นพระเจ้าของพวกเจ้าคือพระเจ้าองค์เดียวสำหรับพระองค์เท่านั้นพวกเจ้าจงนอบน้อมและจงแจ้งข่าวดีกับบรรดาผู้นอบน้อมเถิด คือบรรดาผู้ที่เมื่อพระนามของอัลลอฮ์ถูกกล่าวขึ้นหัวใจของพวกเขาก็หวันเกรง และบรรดาผู้อดทนต่อสิ่งที่ประสบกับพวกเขาและบรรดาผู้ดำรงละหมาดและจากสิ่งที่เราให้เป็นเครื่องยังชีพแก่พวกเขาพวกเขาก็บริจ า, จ า, าคมม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 เَนล الله لحومها ولا دماءها ولكن ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتجبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين เนื้อของมันและเลือดของมันจะไม่ถึงอัลลอฮ์แต่อย่างไดแต่การยำเกรงของพวกเจ้าจะถึงพรุอม เช่นนั้นแหละเราได้ทำให้มันยอมจำนวนต่อพวกเจ้าเพื่อพวกเจ้าจะได้ความเกรงใจต่อล่อดในการที่พระองค์ส่งชี้แนะแก่พวกเจ้าและจงแจ้งข่าวดีแก่บรรดาผู้ทำความดีเถิดแท้ uh จริงอัลลอฮ์ส่งปกป้อง บรรดาผู้ศรัทธาให้พ้นจากศัตรูแท้จริงอัลไม่ทรงโปรดปรานทุกคนที่ทรยศเนรคุณอลลสำหรับบรรดาผู้ที่ถูกโจมตีนั้นได้รับอนุ ญ, ญาตให้ต่อสู้ได้เพราะว่าพวกเขาถูกกมเหง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 อลัลลอฮ์คือพระผู้อภิบาลของเราเท่านั้นและหากว่าอาลัลลอ์ทรงขัดขวางไม่ให้มนุษย์ต่อสู้ซึ่งกันและกันแล้วบรรดาหอสวดและโบสถ์ของพวกคริสต์และสถานที่สวดของพวกยิวและมะสัสยิดทั้งหลายที่พระนามของอลัลลอฮ์ถูกกล่าวอย่างมากมายในนั้นต้องถูกทำลายลงอย่างแน่นอนและแน่นอนอลัลลอฮ์จะทรงช่วยเหลือผู้ที่สนับสนุนาศาสนาของพระองค์